มหาวนวันนาชูชคพรามพาระถวาชโคตนั้นเมื่อเดินไปตามทางที่เจตบุตรพรานป่าแนะให้ก็ได้พบอัจจุตตรือสีครั้นแล้วได้เจรจาปราศัยกับอัจจุตตรือสีไต้ถามถึงทุกสุขว่าพระคุณเจ้าไม่มีโรคคาพาธเบียดเบียนหรือเป็นสุขสบายดีหรือ เยียวยาอัตภาพด้วยการสแสวงหาผลไม้สะดวกหรือมูลมันผลไม้มีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานจะมีน้อยกระมังในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่มีอะไรกล้ำกรายรบกวนแลหรือบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพารทวาชโคดพารัตวาโชได้แก่ชูชก คำว่าจะมีน้อยกระมังอัปปเมวะได้แก่มีน้อยทีเดียวคำว่ารบกวนหิงสาได้แก่ความเบียดเบียนให้ท่านลำบากด้วยอำนาจแห่งสัตว์เหล่านั้นดาบทกล่าวว่าแน่พรามเราไม่มีโรคค า, าพาธเบียดเบียนเราเป็นสุขสบายดี เยียวยาอัตภาพด้วยการสแสวงหาผลไม้สะดวกดีมูลมันผลไม้ก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็น้อยในป่าอันเกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อร้ายไม่มีกล้ำกลายมารบกวนเราเลยเมื่อเรามาอยู่ในอาสมสิ้นจำนวนปีเป็นอันมาก เราไม่รู้สึกถึงความอาพาธอันไม่เป็นที่รื่นรมใจเกิดขึ้นเลยแน่พรามท่านมาดีแล้วอันหนึ่งท่านไม่ได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้าไปภายในเชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านผลมาพลับผลมาหาดผลมาสางผลหมากเมามีรสหวานคล้ายน้ำผึ้งเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีด แม่น้ำฉันก็เย็นสนิทเรานำมาจากซอกเขาแนมหาพรามถ้าท่านจำนงหวังก็เชิญดื่มตามสบายเถิดชูชกกล่าวว่าสิ่งใดอันพระคุณเจ้าให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ารับไว้แล้วบัรณาการอันพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างข้าพเจ้ามาแล้วเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรราชฤาษี ราชโอรสของพระเจ้ากรุงสันชัยซึ่งพลัดพรากจากชาวสีผีมาช้านานถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับโปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าข้าพเจ้ามาและเพื่อจะเยี่ยมเยียนตำหังทัสมาขโตได้แก่ข้าพเจ้ามาเพื่อเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรนั้น ดาบทกล่าวว่าท่านมานี่เพื่อเป็นสีสวรรัสดเพื่อเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่เราเข้าใจว่าท่านปรารถนาจะมาขอพระอัครมเหสีผู้เคารพนบน อ, นอกพระราชสวามีไปเป็นภรรยาหรือมิฉนั้นท่านก็ปรารถนาจะมาขอพระกันหาชินาราชกุมารีและพระชาลีราชกุมาร ไปเป็นทาตทาสีหรือไม่ก็มาเพื่อจะนําเอาพระมารดาและพระราชกุมารและพระราชกุมารีทั้งสามพระองค์ไปจากป่าแนพรามโภคสมบัติทรัพย์และข้าวเปลือกของพระองค์ท่านมิได้มีบรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าโภคสมบัติของพระองค์ท่านมิได้มี นตัตสะโพคาวิชันติความว่าแน่พรามผู้เจริญพระเวสสันดร น, นั้นอยู่ในป่าย่อมไม่มีโพคะสมบัติและพระราชทรัพย์ข้าวเปลือกพระองค์ท่านอยู่อย่างเข็นใจแกจะไปเฝ้าพระองค์ทำไมชูชกได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่าน ยังไม่สมควรจะโกรธเคืองเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อขอทานการพบเห็นอริยชนเป็นความดีการอยู่ร่วมกับอริยชนเป็นสุขทุกเมื่อพระเวสสันดรสีพีราชสเสด็จพลัดพร า, ากจากชาวสีพีมาข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นเลยข้าพเจ้ามาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระองค์ถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับ โปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับโปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าเถิดชาาสิสังสะเมมีคำอธิบายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ควรที่ท่านผู้เจริญจะโกรธเคืองด้วยเหตุเพียงเท่านี้ด้วยว่าข้าพเจ้ามาเพื่อจะขออะไรอะไรกับพระเวสสันดรก็หามิได้ อันหนึ่งการได้เห็นพระผู้ประเสริฐทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จและการอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเหล่านั้นก็เป็นความสุขข้าพเจ้าเป็นพรามผู้เป็นอาจารย์ของพระเวสสันดร น, นั้นจำเดิมแต่พระองค์ถูกชาวสีพีขับไล่นั้นข้าพเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์เลยด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมาเพื่อพบเห็นพระองค์ท่าน ถ้าพระคุณเจ้ารู้สถานที่ประทับของพระเวสสันดรก็จงแจ้งแก่ข้าพเจ้าอัจุตตอรีได้ฟังคาของชูชกก็หลงเชื่อจึงกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะแสดงประเทศที่ประทับของพระเวสสันดรแก่ท่านวันนี้ท่านอยู่ในที่นี้ก่อนกล่าวชะนี้แล้วให้ชูชกกินพลาผลจนอิ่ม รุ่งขึ้นเมื่อจะชี้หนทางจึงเหยียดมือขวาออกกล่าวว่ามหาพรามนั่นภูเขาคันธมาต์อันล้วนแล้วด้วยหินพระเวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงเพศนักบวชอันประเสริฐ ท, ทรงขอสำหรับซอยผลไม้เครื่องบูชาไฟและชดาทรงนุ่งห่มหนังเสือบรรทมเหนือแผ่นดิน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 ไม้ตะเคราะห์เถา ย, า, าย่านทายย่อมวันไหวไปตามลมดังมานกดื่มสุราคลาวเดียวก็ส่วนเซไปมาอยู่ฉะนั้นท่านจะได้ฟังเสียงฝูงนกคือนกโพระดกนกดูเวาวนกกระลางอันจับอยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงเพลงขับส่งเสียงร้องบินจากต้นไม้น้นมาสู่ต้นไม้นี้ทั้งหมู่ไม้ที่ต้องลมพัด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 มันทมเหนือแผ่นดินทรงบูชาไฟประทับอยู่ณอาสมใดเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินทางไปทางทิศอุดรจะได้เห็นอาสมนั้นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจมีดอกกลุ่มตกอยู่เรี่ยราดพื้นแผ่นดินเขียวชอุ่มไปด้วยหญ้าแพรกณที่นั้นไม่มีธุลีฟุ้งขึ้นเลยหญ้านั้น มีสีเขียวคล้ายขนคอนกยูงเปรียบด้วยสัมผัสแห่งสำลีหญ้าทั้งหลายโดยรอบยา้าไม่เกินสี่องคุลีต้นมะม่วงต้นว่าต้นมะขิดและต้นมะเดือ่อมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำๆป่าไม้นั้นเป็นที่ให้เจริญความยินดีเพราะมีหมู่ไม้อันมีผลบริโภคได้เป็นอันมาก น้ำใสสะอาดกลิ่นหอมดีสีดังแก้วไผ่ทูลเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาไหลหลั่งมาในป่านั้นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจในที่ไม่ไกลอาสมนั้นมีสะโบกขอรณีดารดาษไปด้วยปทุมชาติและอุบลเหมือนดังที่มีอยู่ในนันทนาวรรณของถวยเทพแนพราม ในสะนั้นมีอุบบนชาติสารชนิดคือเขียวขาวและแดงงามวิจิตรมากมายเนื้อความของคาถานั้นเหมือนกับที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลข้อว่ามีดอกกลุ่มตกอยู่เรียราชกะเรริมาลาวิคตาความว่าเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกกลุ่มทั้งหลายข้อว่าเขียวชะอุ่มไปด้วยหญ้าพแพรก สัทธลาหริตาความว่าภูมิภาคเขียวไปด้วยหญ้าพแพรกประจำข้อว่าณที่นั้นไม่มีทุลีฟุ้งขึ้นณตัดทุตทางสเตระโชวความว่าทุลีแม้มีประมาณน้อยก็ไม่ฟุ้งขึ้นในที่นั้นคำว่าเปรียบด้วยสัมผัสแห่งสัมลีตุลผัสสะสมูปมาได้แก่ เช่นกับสัมผัสแห่งนุ่นเพราะมีสัมผัสอ่อนนุ่มข้อว่าหญ้าทั้งหลายยาวไม่เกินตินานินาติวัตตันติความว่าหญ้ามีสีเหมือนสีคอนกยูงในภูมิภาคนั้นเหล่านั้นขึ้นสูงแค่สีองคุลีเท่านั้นโดยรอบไม่งอกยาวเลยกว่านั้นคาว่าต้นมะม่วงต้นว่าต้นมะขิด อัมพาชมภูกปิตาจะได้แก่ไม้มะม่วงด้วยไม้ว่าด้วยไม้มะขิดด้วยคำว่าอันมีผลบริโภคได้ปริโพเคหิได้แก่ต้นไม้ทำบริโภคได้มีดอกมีผลหลายอย่างคำว่าไหลหลังสันทติความว่าน้ำหลังจากภูเขาไหลไปในไพลสนนั้น ด้วยข้อว่าเขียวขาวและแดงงามวิจิตมากมายวิจิตระนีลาเนกานิเสตานิโลหิตกานิจะอัดจุดตรือสีแสดงว่าสะนั้นงามด้วยอุบนชาตสามอย่างเหล่านี้คืออุบลนเขียวอย่างหนึ่งอุบลนขาวอย่างหนึ่งอุบลนแดงอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายผ อ, อบดอกไม้ที่จัดแต่งไว้อย่างวิจิตงดงาม อจจุดตรือสีคลั้นพรนนาสะโบกขอรณีสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเมื่อจะพรนนาสะมุจจรินอีกจึงกล่าวว่าในสะนั้นมีปทุมชาติดาตตื่นสีขาวดังผ้าโขมพัดสะนั้นชื่อว่ามุจจรินดารดาดไปด้วยอุบลขาวจงกล น, นีและผักทอดยอดอันหนึ่งเล่า ปทุมชาติในสระนั้นมีดอกบานสะพรั่งปรากฏหากำหนดประมาณไม่ได้บ้างก็บานในขิมหันตรดุดูบ้างก็บานในเหมันตรดุดูแผ่ไปเหมือนตั้งอยู่ในน้ำลึกประมาณเพียงเขา่าปทุมชาติอันงามวิจิตชูดอกสะพรั่งทรงกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปมูพมรโผลผินบินว่อนเสียงวู้วู้อยู่โดยรอบ เพราะกลิ่นหอมแห่งบุพชาติบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าดังผ้าโขมพัดโขมาวะได้แก่สีขาวราวกับผ้าที่ทอด้วยใยไม้ข้อว่าด้วยอุบลขาวจงกลมณีเซตโสคันที่เยหิจะความว่าสะนั้นดารดาษไปด้วยอุบลขาวจงกลนีและผักทอดยอดทั้งหลาย ข้อว่าปรากฏหากําหนดประมาณไม่ได้อภริยันตาวะทิสเรได้แก่ปรากฏเหมือนหาประมาณไม่ได้คําว่าในคิมหันตฤดูในเหมันตฤดูคิมหาเหมันตกาได้แก่ปทุมชาติที่บานสะพรั่งในคิมหันตฤดูและเหมันตฤดูข้อว่า แผ่ไปเหมือนอยู่ในน้ำลึกประมาณเพียงเข่าชั น, นุตักขาอุปัทฐาราความว่าแผ่ไปได้แก่บานคือปรากรวราวกับดำรงอยู่ในน้ำประมาณแค่เข่าคำว่าอันงามวิจิตชูดอกสะพรั่งวิจิตราปุปผสันธิตาความว่าปทุมชาติทั้งหลายงามวิจิต ชูดอกสะพรั่งทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปทุกเมื่อแน่พราหมอันหนึ่งเล่าที่ใกล้ขอบสะนั้นมีต้นไม้หลากหลายขึ้นอยู่คือต้นกระทุ่มต้นแคฝอยและต้นทองหลางพผิดอกออกสะพรั่งไม้ปูไม้ซากต้นปาริชาติดอกบานสะพรั่งต้นกากระถิงต้นไม้เหล่านี้มีอยู่ที่สองฟากสะมุจรินต้นซึก ต้นแค่ขาวบัวบกทรงกลิ่นหอมฟุ้งไปต้นคนทีสอต้นคนทีเขมาและต้นประดูมีอยู่ณนะที่ใกล้สะนั้นดอกสะพรั่งต้นมะคำไก่ไม้มร้างต้นแก้วต้นมะรุมการเกตกานิกาและฉบา ไม้รกฟ้าไม้อินทนินไม้สะท้อนและทองกวาวมีดอกแย้มบานผลิดอกออกยอดพร้อมๆกันรุ่งเรืองงามไม้มะลื่นไม้ตีนเป็ดกล้วยต้นคำฝอยนมแมวคนทาประดู่ลายต้นกลุ่มมีดอกบานสะพรั่งต้นมะไฟต้นงิ้วไม้ช้างน้าวพุทขาวกฤิสนาโกฎเขมาโกดสอ มีดอกบานสะพรั่งต้นไม้ในบริเวณสรนั้นมีทั้งอ่อนและแก่ต้นตรงไม่คดงอดอกบานตั้งอยู่สองข้างอาสมโดยรอบเรือนไฟบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าขึ้นอยู่ติดถันติความว่าขึ้นอยู่ล้อมรอบสรคําว่าต้นกระทุ่มกระทำพาได้แก่ไม้กระทุ่ม คำว่าไม้ซากกัจจิการาจะได้แก่ต้นไม้ที่มีชื่ออย่างนั้นคำว่าต้นปาริชาตปาริชัญยาได้แก่ต้นไม้มีดอกแดงข้อว่าต้นกากระิงวารนาวุยหนาได้แก่ต้นนาคขับพฤกคำว่ามีอยู่ที่สองฝาคสะมุจรมจรินมุจจรินธรรมุพโต ได้แก่ณนะข้างทั้งสองของสมุจรินทร์คำว่าต้นแค ข, ขาวเสตะปาริสาได้แก่รุกขชาติที่เป็นพุ่มขาวได้ยินว่าต้นแค ข, ขาวเหล่านั้นมีลำต้นขาวใบใหญ่มีดอกคล้ายดอกกานิกาคำว่าต้นคนทีสต้นคนทีเขมานิกคันทีสรารณิกคันที ได้แก่ต้นคนที่สอธรรมดาและต้นคนที่สอดำคําว่าต้นมะคำไก่ปังกุราได้แก่ต้นไม้สีขาวคําว่าต้นคําฝอยกุสุมพ ร, ราได้แก่ไม้กอชนิดหนึ่งคําว่านมแมวคนทาทนุตตักการีปุบเพหิ ความว่างดงานด้วยดอกนมแมวและดอกคนทาทั้งหลายคําว่าประดูลายต้นกลุ่มสีส ป, ปาวรนาหิจะได้แก่งดงานด้วยต้นประดูลายและต้นกลุ่มทั้งหลายแม้คําว่าต้นมะไฟอัจฉิปาเป็นต้นก็เป็นชื่อต้นไม้ทั้งนั้นคํ า, าว่าพุทธขาวกฤษศนา เสตะเครุตะคาิกาได้แก่ต้นพุธขาวและต้นกฤษศนาคำว่าโกดเคมาโกดสอมังสิโกตทกุลาวราได้แก่กต้นชาเกลือกอต้นโกดและต้นเปราะหอมคำว่าไม่คดงออากุติลาได้แก่ต้นตรงคำว่ารอบเรือนไฟ อัคยาคารังสมันตะโตความว่าตั้งแวดล้อมเรือนไฟ